เป็นวันมหาปรวรณาความเป็นจริงนั้นเรานับถือพระพุทธเจ้าของเราเทอทูลพระรัตนตรยัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยิ่งกว่าอะไรทั้งหลายทั้งนั้นแต่ว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่ของเล่นเล่นจะต้องเป็นผู้ฉลาดพอสมควรต้องฉลาดในการสอนจิตของตัวเองเอาออกมาฝึกให้มากๆจิตของเราเนี่ย จะบีบมันมากก็ไม่ได้จะปล่อยมันก็เลอะเทอะพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าสอนตัวอย่างไรสอนคนอื่นอย่างนั้นตัวทําอย่างไรจึงให้คนอื่นทําอย่างนั้นไม่ใช่ของเล่นเล่นหรอกโยมโยมไปมองดูพระท่านบวชก็นึกว่าท่านสบายอย่างเช่นเรื่องอาจารย์ดีจะเล่าให้ฟังอาจารย์ดีเนี่ย ที่เป็นคู่กับอาจารย์ทองรัตท่านเป็นพระกรรมฐานรุ่นกลางไม่ใช่รุ่นแรกท่านเป็นพระกรรมฐานรุ่นกลางที่เป็นสิทธิ์อาจารย์มั่นบูริทัตโตเที่ยวบินธบาตไปฉันตามบ้านป่าบางทีบางบ้านก็ไม่รู้เรื่องเลยพระไปบินธบาตก็ใส่แต่ข้าวจะเอาอาหารใส่บาทหรือก็ไม่เคยทำกันบางแห่งก็ว่าพระกรรมฐานท่านฉันแต่หวาน อย่างอื่นท่านไม่ฉันลรอกพอไปบินธบาตตามบ้านเขาก็เอาข้าเปล่าใส่เท่านั้นแหละพระจะไปบอกให้เขาเอาอาหารมาใส่บาทก็ไม่ได้เป็นอาบัตบางทีพระไปพักอยู่เป็นเดือ น, เ, อนเขาก็ยังไม่เข้าใจทีนี้ท่านอาจารย์ดีท่านไปบินธบาตในบ้านที่ยังไม่เคยไปโยมก็ใส่แต่ข้าวตอนฉันจังหันเขาก็ต่างไปท่านก็ฉันจังหันอยู่อย่างนั้นแหละ ฉันแต่ข้าะเปล่าเพราะของมันอยู่ในบาทโยมเขาก็มองไม่เห็นเห็นพระเอามือล่วงลงไปท่านก็เอาขึ้นมาฉันสบายสบายก็นึกว่าอาหารท่านเยอะแยะแล้วท่านอาจารย์ดีท่านฉันข้าะเปล่าอยู่เจ็ดวันท่านก็คิดว่าเอ๊ะจะทำยังไงดีนาะพระกรรมฐานเนี่ยท่านก็มีปัญญาพอสมควรเหมือนกันนะวันหนึ่งท่านกเกาฝาบาทหงายขึ้น จับเอากา้าน้ำมารินใส่มีแต่น้ำเท่านั้นแหละโยมก็ตามมานั่งอยู่จะมาฟังทำท่านก็เอาเข้าวเหนียวมาปั้นแล้วก็จิ้มกับน้ำในฝาบาตรที่รินมาจากกา้าน้ำนั่นแหละท่านก็ฉันข้าวไปโยมเขาก็มองท่านท่านก็ฉันของท่านไปเรื่อยๆโยมสงสัยก็ถามอ้าวหลวงพ่อทำไมฉันอย่างนั้นเล่าทำไมฉันข้าวกับน้ำท่านก็บอกว่า มันมีอย่างนี้ก็ฉันอย่างนี้โยมก็ว่าฉันพริกกับปลาละร้าไม่ได้เลยท่านอาจารย์ท่านก็ตอบไปว่าถ้ามันมีก็ได้โอโหมันช่างเพราะเสียเหลือกเกินท่านเอาข้าวในบาสนั้นมาจิ้ม น, น้ําเปล่าอยู่นั่นแหละนี่คือจะสอนคนเอากันถึงขนาดนั้นทีนี้เขารู้แล้วก็ว่าโอ้เราบาปแล้วนะ่ะ ให้พระฉันข้าวกับน้ำเปล่าอยู่ถึงสิบห้าวันแล้วความไม่รู้เรื่องเป็นอย่างนี้คนที่ไม่รู้เรื่องมันสอนยากสอนลำบากครูบาอาจารย์ผู้สอนมานั้นก็ลำบากอย่างเช่นอาจตมาออกไปเมืองนอกซึ่งเขาไม่มีพระเหมือนบ้านเราก็เป็นเหตุให้มองเห็นพระพุทธเจ้าเสียแล้วพอเราออกไปบินธบาตเขามองไม่เป็นพระเลยเขามองเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ คนที่จะคิดใส่บาสักคนหนึ่งก็ไม่มีมีแต่เขาพากันมองว่าตัวอะไรนะ่ะมาโน่นโอ้โหนึกถึงพระพุทธองค์อาตมากราบท่านเลยมันแสนยากแสนลำบาก ท, ที่จะฝึกคนเพราะเขาไม่เคยทำผู้คนที่ไม่เคยทาไม่รู้จักเนี่ยมันลำบากมากพอมานี่นึกถึงเมืองไทยเราออกจากป่าไปบินทบาทเท่านั้นแหละไม่อดแล้ว ไปที่ไหนมันก็สบายมากแต่เมื่อเราไปอยู่เมืองนอกอย่างนั้นมองมองดูไม่มีใครตั้งใจมาตักบาตรพระบาตรเขายังไม่รู้จักเลยโยมเราสะพายบาตรไปเขาโน่มเป็นเครื่องดนตรีซะอีกถึงอย่างนั้นอาตมาก็ยังดีใจในสิ่งที่ได้ทํามาแล้วโดยมากพระท่านไปเมืองนอกท่านไม่บินทบาทหรอกอาตมามองเห็นข้อนี้นึกถึงพระพุทธเจ้าอาตมาต้องบินทบาต ใครจะห้ามก็จะบินธบาตไปบินธบาตไปทำกิจอันนี้ที่กรุงลอนดอนได้ดีใจเลือเกินพวกพระไปด้วยกันก็ว่าบินธบาตททำไมมันไม่ได้อาหารอย่าเอาอาหารสิไปบินธบาตเอาคนเอาคนซะก่อนขนมน่ะมันมากับคนพระก็ไปบินธบาตให้เขามองดูเขามองดูพระนั่นก็ถือว่าได้แล้วก็เหมือนท่านพระสารีบุตร ท่านไปบินทบาตอุ้มบาทอยู่ในบ้านทัางหลายครั้งเขาก็ไม่ใส่บาสักขันเขามองดูแลเขาก็เดินหนีมาถึงวันหนึ่งเขาก็ว่าพระสมณะนี่มาอย่างไรไปหนีไปพระสารีบุตรท่านก็ดีใจได้บินทบาตในววันนี้เพราะเขาสนใจเราเขาจึงไล่เราถ้าเขาไม่สนใจเขาไม่ไล่หรอกเขาไม่พูดกับเราด้วยซ้าพระสารีบุตรท่านเป็นผู้มีปัญญา เท่านั้นท่านก็พอใจแล้วคนสนใจนี่เป็นจิตของพระที่ท่านไปประกาศพระาศาสนาอาตมามั น, นึกถึงข้อนี้แล้วไม่อายเพราะพระพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้ว่าให้อายสิ่งที่มันเป็นบาปไม่เป็นบาปไม่ต้องอายก็เลยออกไปบินทบาทได้สักเจ็วันตำรวจก็จ้องสะกดรอยตามมาห้ามให้หยุดบินทบาท บอกว่าผิดกฎหมายในเมืองเขาเราไม่รู้นี่ว่ามันผิดเราก็หยุดที่ผิดเพราะเขาหาว่าเป็นขอทานบ้านเขาห้ามขอทานเราก็บอกว่าอันนั้นมันเป็นเรื่องของคนแต่นี่เป็นเรื่องของศาสนาพระพุทธศาสนาไม่ใช่ขอทานก็เลยได้อธิบายไปว่าขอทานประการหนึ่งการบินทบาทก็อีกอย่างนงก็เลยเข้าใจกัน ทุกวันนี้ที่นั่นพระก็ได้บินธบาทอยู่แต่ก็ยังไม่ดีเท่าไหร่หรอกโยมค่อยๆเริ่มไปละนี่เป็นสิ่งที่ทำได้ยากทำได้ลบาบากจิตใจของเรานี้ก็เหมือนกันอย่างเราชาวพุทธที่มาฟังธรรมกันทุกวันพระเนี่ยบางคนก็ยังไม่ค่อยจะรู้เรื่องธรรมะแท้ๆอย่างเมื่อสองสาวันมานั้นพวกโยมจากสาขามารวมกันเป็นร้อยๆ นี่อาตมาก็เลยถานว่าโยมปีนี้เท่าที่ตรวจดูนะอาตมาสอนมานี่ก็เกือบสามสิบปีแล้วปล่อยไปตามใจสบายสบายวันนี้ก็เลยอยากจะถามว่าพวกเราอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายนั้นนะมีบ้างไหมในที่นี้ได้ตั้งใจที่จะปฏิบัติปฏิบัติไม่มากหรอกมีศีลห้าตลอดชีวิตนะ่ะมีบ้างไหมมองดูตากันหลอกแหลกหลอกแหลกไม่มีเลย นั่งนิ่งอยู่อย่างนั้นนี่เห็นไหมมันขาดการปฏิบัติคือมันยังใจไม่ถึงยังไม่ถึงใจอาตมาก็เลยเทศว่าไปสักหน่อยวันนั้นจะมีใครโกรธหรืออย่างไรก็ไม่รู้อาตมาก็นึกว่าจะมีคนสักคนหนึ่งแต่ดูแล้วก็มีแต่ขี้คนมีแต่ขี้คนคนไม่มี ถ้าคนแท้มันต้องสำรวมด้วยศีลห้าข้อคือถ้าเป็นมนุษย์แล้วเราต้องพยายามทำศีล น, นี้ให้มันมีขึ้นมาโดยตลอดชีวิตได้สักสี่หรือห้าคนก็ยังดีนะนี่ไม่มีเพราะไม่เคยทำมาสมัยก่อนอาตมายังไม่ได้มาสอนที่นี่เรื่องสมาธิเนี่ยคนก็ไม่รู้เรื่องเลยศีลก็พูดแต่รักกับพระไปเท่านั้น พูดไปทำไมเขาไม่รู้สมาธิก็ไม่รู้เรื่องไม่เคยทําเข้าไปวัดก็ไม่มีใครฝึกเมื่อศีลสมาธิก็ไม่เริ่มปัญญาจะเกิดที่ไหนถ้ามาพูดถึงตรงนี้รู้สึกว่าพวกเรายังไกลกันมากที่สุดขอให้แต่ละคนเอาการบ้านข้อนี้ไปคิดกันยังอาตมาขึ้นไปเมืองเหนือไปเทศให้เขารักษาศีลเขาก็ว่าท่านอาจารย์เทศอย่างนี้ท่านจะฉันข้าวกับอะไร ไม่รู้อาตมาไม่รู้เขาก็ว่าถ้าอย่างนั้นเอาไหมผมจะโคลกพริกกับเกลือมาให้ท่านฉันทุกวันท่านจะฉันได้ไหมอาตมาก็ว่าใครจะทำโยมคนไหนจะทำอย่าหนีจากกันเลยนะให้โยมโคลกพริกกับเกลือมาทุกวันทุกวันอาตมาก็จะฉันให้ทุกวันทุกวันอาตมาไม่เคยเห็นใครมีศรัทธาอย่างนี้ เอาไหมเอากันเป็นปีๆเลยไหมหรือตลอดปีเอากันไหมให้โยมันจัดทุกวันนะอ่าโนนคนที่พูดไปนั่งอยู่นูน่นไม่กล้าทำหรอกมันพูดแต่ปากนั่นแหละพูดให้เราจนเท่านั้นความเป็นจริงคนที่มาวัดทุกวันเนี้มันต้องมีศรัทธาคนพูดอย่างนั้นมันไม่มีศรัทธาหรอกผู้ที่เข้าถึงพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นัะ ที่จริงมันง่ายที่สุดโยกมันง่ายมากการกระทำอะไรต่อมิอะไรมันง่ายมันไม่ยากไม่ต้องเลือกวันนั้นเดือนนี้ยามนี้โอ้ยไม่ต้องแล้วพระพุทธองค์ของเราก็ทรงสอนว่าเมื่อไรมันสะดวกวันนั้นมันดีมันไม่ขัดข้องวันนั้นมันดีแต่นี่เราไม่อย่างนั้นเช่นจะปลูกบ้านปลูกช่องสารพัดอย่าง ก็จะต้องหาเลือกวันพันยามกันเสก่อนพระพุทธองค์ท่านไม่ว่าอย่างนั้นท่านว่าเมื่อโอกาสมันเหมาะสมก็ให้ทําไปเถอะแต่เราก็กลัวซึ่งถ้าพูดถึงพระรัตนตรายเต็มที่ถึงที่สุดแล้วไม่มีอะไรที่จะต้องกลัวคือว่ามันไม่ผิดเมื่อมันมีโอกาสที่จะทำเมื่อไหร่มันสะดวกมันถูกกับเวลาของเรามันสะดวกก็เอาละนี่ท่านว่าอย่างนี้แต่เราไม่เอาอย่างนั้นสิ จะต้องเอาวันนั้นวันนี้จนอาตมารำคาญยิ่งวันแต่งงานนะเขาถือว่าเป็นวันที่สำคัญของขามากจะต้องเอาวันนั้นต้องเอาเลิอกอย่างนั้นอย่างนี้นิมนต์เอาพระหลวงตาไปฉันนั่งคอยเมื่อจะตายอยู่แล้วนั่นแหละคือถ้าไม่ได้เลิกไม่เอาต้องให้ได้เลิอกอาตมาก็คอยสังเกตใครๆที่มีเลอกดีๆบ้างว่ามันจะเป็นอย่างไรไหมมันจะดีไหมบางคนอยู่กันได้ไม่ถึงเดือนทะเลาะกันเลิกกันไปอ่า ดูสิมันเป็นซะอย่างนี้แล้วทำไมไม่สังเกตเหตุผลดูแล้วจะต้องเอาวันนั้นวันนี้วันนี้มันจมวันนั้นมันฟูต้องทำข้างขึ้นข้างแรงอย่างเอาไปถือเอาอันนั้นมาเป็นเรื่องของเราเรื่องมันก็เป็นเรื่องของเรื่องเวลาก็เป็นเรื่องของเวลามันไม่ใช่มาเกี่ยวข้องกับเรา ถ้าเราไปคิดอะไรต่อมีอะไรมันมากทุกอย่างในเรื่องพุทธศาสนามันก็จะยุ่งเหยิงหลายอย่างจนกระทั่งที่ว่าพูดกันไม่ค่อยจะได้ทีนี้เรามามองดูสิว่าถ้าเป็นอย่างนั้นพระรัตนาตรัยของเราจะเสื่อมไหมเศร้าหมองไหมมันก็เสื่อมมันก็เศร้าหมองเท่านั้นแหละที่ว่าเลิกดียามดีก็คืออะไรที่มันดีอะไรที่มันเหมาะสมมันไม่ขัดข้องนั่นแหละ อาตมาว่ามันดีแล้วอาตมาพูดอย่างนี้ทั้งยังถืออย่างนี้มาตลอดจนทุกวันนี้ไม่เคยเห็นมันเป็นอะไรเมื่อเรามามองคนบางคนตระกูลบางตระกูลโยมบางโยมก็ลําบากเช่นแต่งงานกันไม่ถึงเลอกหมาจริงๆไม่ต้องละ่ะพระฉันเสร็จแล้วก็นังนั่งคอยอยู่นั่นแหละ คือพอถึงเรื่ก็ต้องสวดชยันโทโพธิยาโมเลแต่แล้วมันก็ดีบ้างได้บ้างเสียบ้างเหมือนกันบางคนก็อยู่ด้วยกันเดือนสองเดือนพูดกันไม่รู้เรื่องหนีจากกันซะและ้วทาไมเรื่ ม, มันไม่คุ้มล่ะโยมเรื่ ม, มันไปอยู่สะตรงไหนอันนี้ขอให้โยมคิดกันอัตมาเคยพูดอยู่เสมอให้โยมคิดถ้าเราพูดถึงการตกลงกันวันนั้นวันนี้ ตกลงกันพร้อมเพรียงสามัคคีกันไม่ใช่ว่าได้วันจันทนะร์ไม่เอานะไม่ได้วันอังคารไม่เอานะไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้เป็นเรื่องยุ่งไม่ต้องมากหรอกเท่านี้มันก็ยุ่งแล้วเมื่อเราตัดสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ที่เป็นมงคลตื่นข่าวออกไปแล้วเนี่ยมันก็ก้าเข้าไปห้าสิบเปอร์เซ็น์แล้วโยมเรานับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สูงสุดสูงส่งดีแล้ว จะสบายจะสะดวกกันทุกอย่างอย่างตามบ้านนอกของเราเนี่ยทำไรทำนาทำค้าทำขายทำโน่นทำนี่ถ้าถือกันอย่างนี้ก็ยิ่งลำบากขัดข้องหลายอย่างอยู่มาวันหนึ่งขอนังสือไม่ลงคาถาให้หนังหน้าผากเสือนี่มันต้องฆ่าเสือนะมันถึงจะเอาหนังหน้าผากเสือมาได้ก็นึกว่าเราได้ของดีแล้วเอามมใหลวงพ่อลงคาถาให้อัตมาก็ว่า จะลงคาถาไปทำไมเสือก็ไปฆ่ามาแล้วนี่หนังมันจะดีอะไรไปฆ่าตัวมันเอาหนังมันมาลงคาถาถือกันไปอย่างนี้ที่จริงแล้วที่มันดีอยู่ก็คืออย่าไปฆ่าเสือมันอันนี้ไปฆ่าเขาถือกันว่าดีแล้วยังจะเอาหนังเขามาลงคาถาอีกจะทำอะไรกันต่อไปอีกเป็นอย่างนี้มันถือกันผิดกันไปหมดอย่างกลองที่วัดอาตมาเคยอยู่นะคือวัดทุ่ง กลองเข้ า, เาไว้ตีเพลงทุมท่มทุม่มทุ่มมีอาจารย์องค์ไหนก็ไม่รู้บอกว่าถ้าได้หนังหน้ากลองมาจะลงคาถาให้ก็เลยพากันไปผ่าเอากลองเพลงที่วัดทุ่งปาดหน้ากลองแล้วก็เอาไปลงคาถาเราก็เคยเห็นว่ากลองเพลงมันดังถ้าตีไปคนก็มารวมกันอันนี้คงดีแน่แต่นี่กลับไปตัดเอามาลงคาถาสินี่ เรื่องทั้งหลายเหล่านี้มันล้าเอื้อเกินเมื่อค้นถึงกุธศาสนาของเราแล้วที่จริงนั้นมันลำบากอยู่เราจะเอาตรงไหนมันดีมันลำบากการปฏิบัติของเรานั้นมันถึงไม่ปรากฏผลขึ้นมาเรื่องทั้งหลายเหล่านี้พระพุทธองค์ตรัสว่ามันยุ่งทรงตัดทิ้งเพราะมันเป็นเรื่องของกลางพรามเขาบูชายัน ทำไมพราหมณ์ถึงบูชายัญเพราะเขาต้องการสิ่งที่เขาปรารถนาเขาถึงบูชายัญมันตรงกันข้ามกับพุทธศาสนาของเราทำไมเราถึงทำบุญกันทำบุญกันทำไหมการทำบุญนั้นพระพุทธเจ้าของเราหมายถึงไม่ให้เห็นแก่ตัวหรือว่าทำไปเพื่อกำจัดความโลภออกจากใจของเรามันไปคนละข้างกับพราหมณ์เสีแล้วมันกลับกันฉะนั้นผู้เข้าถึงพรระัตนาไตรัยนั้นหยับหยาบมีเยอะแต่มันก็ยังไปไม่ได้ ไม่ต้องไปพูดถึงธรรมะลึกซึ้งอะไรอย่างเช่นท่านว่าอนิจจาวัตสังคาราอุปาทวยธรรมมิโนมันจะถึงสังขารเมื่อไรเพราะมันไม่ได้พิจารณากันแม้แต่นั่งสมาธิทาจิตให้เป็นหนึ่งมันก็ไม่เคยรู้เรื่องไม่รู้จักทำกันแล้วมันจะไปมองเห็นตรงไหนอันนี้ให้พวกเราไปพิจารณาดูการประพฤติปฏิบัตินี้ เป็นพระก็ปฏิบัติได้เป็นโยมก็ปฏิบัติได้แต่ว่าเป็นพระเนี่ยมันไกลจากความกังวลแต่ก็ไม่แน่บางแห่งก็ยิ่งกังวลมากขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ลําบากอยู่ฉะนั้นเรื่องธรรมะเนี่ยจะต้องใช้การภาวนาคือการพิจารณาอย่างเช่นพระนวากะที่ท่านได้เทศให้ฟังไปนั้นท่านได้พูดรวมลงมาว่า พุทธศาสนานั้นต้องปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติไม่เกิดผลไม่เกิดประโยชน์เรียนมากขนาดไหนก็ไม่มีประโยชน์มันไม่เกิดประโยชน์ถ้าไม่ปฏิบัติอันนี้ท่านพูดสั้นๆท่านเกิดมีความรู้สึกอย่างไรก็ไม่รู้ของท่านท่านพูดสั้นแต่ก็ถูกของท่านทั้งหมดเลย เพราะถ้าไม่ปฏิบัติแล้วทุกอย่างมันก็ไม่เกิดประโยชน์มันเสียหายเช่นว่าเราทำนาสักแปลงหนึ่งแต่พอถึงคราวที่จะเกี่ยวไม่รู้จะเอาอะไรเกี่ยวมันก็เสียหายมากการกระทำนั้นก็เลยไม่ได้ผลประโยชน์แต่ว่าทำไมการปฏิบัติมันถึงยากลำบากคือถ้าจะว่ากันจริงๆแล้วเนี่ยมัน จะต้องยากซะก่อนและมันจริงจย่างได้อย่างเช่นพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าทุกข์พอเราเห็นว่าทุกข์อย่างเดียวก็ไม่ชอบสแลไม่อยากจะเรารู้ทุกข์แต่ความเป็นจริงและตัวทุกข์นั่นแหละคือตัวสัจธรรมแท้ แ, ทแต่เราก็อ้อมอันนี้สัไม่อยากจะดูทุกข์หรืออย่างคนที่แก่เราก็ไม่อยากจะดู อยากจะดูแต่คนหนุ่มเป็นใช่อย่างนั้นทุกนี้ไม่อยากจะดูเมื่อไม่อยากจะดูทุกมันก็ไม่รู้จักทุกตลอดกี่ภพกี่ชาติก็ไม่รู้จักทุกทุกเนี่ยเป็นตัวอริยสัตว์เป็นสัจธรรมถ้าเราเห็นทุกก็เป็นเหตุให้เราแก้ไขอย่างเช่นว่าทางที่เนี่ยมันรกไปไม่ค่อยจะได้ไปแล้วมันก็รกอยู่นั่นแหละ ความคิดมันก็เกิดขึ้นว่าทำอย่างไรเนาะทางนี้มันจึงจำ ง, ง่ายไปทุกวันคิดทุกวันจิตนี้มันเกิดความคิดอย่างนี้เพราะสิ่งที่ไม่สะดวกคือตัวปัญหาตัวปัญหามันเกิดขึ้นมามันถึงหาทางเฉลยแก้ปัญหาอันนั้นถ้าเราไม่ทุกข์มันก็ไม่มีปัญหาเมื่อไม่มีปัญหาก็ไม่มีเหตุให้พิจารณาอะไรเลย อันนี้เราก็เลยข้ามไปฉะนั้นพระพุทธองค์ท่านจึงทรงสอนเรื่องทุกข์ วันหนึ่งมีพระอยู่ด้วยกันมันเล่าให้อาตมาฟังท่านเล่าว่าปีนี้มันทุกข์เหลือเกินอาตมาก็ว่าก็ให้มันทุกข์ซะก่อนสิมันถึงจะอดทนถ้าไม่มีความอดทนมันจะเห็นธรรมะไหมอย่างเช่นว่าก่อนนั้นตีสามไม่เคยจะตื่นเลยแต่ที่นี่พอตีสามระฆังดังงางงางงางเรามันเคยสองโมงเช้าจึงจะตื่นมาอยู่บ้านมาอยู่ที่นี่ตื่นตีนตสาม มันก็เลยแย่ทำไมมันจะไม่อยากโดดหนีหล่ะมันก็คิดถึงบ้านเท่านั้นแหละอยู่บ้านพ่อบ้านแม่เราไม่เคยลำบากอย่างนี้ไปมันจะดีกว่ามันเป็นทุกข์ทำไมจะไม่เป็นทุกข์อย่างการขบฉันเนี่ยพระตั้งส า, ามสี่สิบอัตมาก็ให้ฉันบินทบาทเรียงกันไปเรื่อยๆแต่เมื่อเราหิวขึ้นมาก็ว่า ฉันพร้อมไม่ได้หรือมันยุ่งยากอาตมาก็ว่าดีแล้วมันยุ่งยากนัหน่ะมันดีมันอดทนดีพระบวชใหม่ๆอยากฉันก็ฉันพอมันมาพบตรงนี้เข้ามันก็ทุกเพราะพระจะฉันก็ต้องฉันเรียงลําดับกันไปกว่าจะถึงเราก็โอ้มันอดแล้วอดอีกมันก็เป็นทุกข์กว่าจะปรับตัวได้ก็ร่วมสามเดือน อาตมาก็เคยบอกพระนวกะเราแต่แรกแล้วว่าให้ถึงเดือนที่สามแล้วถึงพอจะรู้เรื่องสักนิดหนึ่งเพราะมันผ่านทุกมันนั่นเองถ้าได้ผ่านตรงนี้แล้วก็เอาสิจะไปทำมาค้าขายอะไรก็มีกําลังการงานดีขึ้นมีกําลังขึ้นเช่นมีลูกศิษย์คนหนึ่งที่มาอยู่ที่นี่ต้องตื่นนอนตีสามนอนบางทีหกทุ่ม พอศึกไปเป็นทหารตอนอยู่เวรคนอื่นเขาจะตายแล้วแต่คนนี้สบายเดินจงกรมสบายเจ้านายก็รักเลยมาบอกว่าเป็นทหารมันไม่ยากหรอกมันง่ายง่ายส่วนคนที่ไม่เคยทำกรรมฐานมันจะตายแล้วคนที่สบายเพราะมันเคยทุกข์มาจนพอแล้วให้มันทุกข์ขนาดนั้นเป็นทหารมันไม่เต็มมือมันเลยสบายเลยนี่แหละเราต้องการตรงนี้ ฉะนั้นที่มาบวชวัดหนองป่าพงเนี่ยมันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์เพราะไม่เห็นว่าทุกข์นี่แหละเป็นทางตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเราท่านให้เห็นทุกข์คือทุกข์สมุทัยนิโรธมักออกช่องนี้เลยพระอริยบุคคลออกช่องนี้ถ้าไม่ออกช่องนี้จะออกช่องไหน ใครจะไปตรงไหนถ้าไม่ออกช่องนี้ก็ไม่มีทางออกจะต้องรู้จักทุกรู้จักเหตุเกิดของทุกรู้จักความดับทุกรู้จักข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกขนี่ออกช่องนี้พระโสดาบันพระอริยบุคคลเบื้อนต้นก็ออกตรงนี้ไม่มีทางอื่นที่จะออกถ้าไม่รู้จักทุกออกไม่ได้ทุกทุกอย่างนั่นแหละมันทุกอย่างทุกใจของเราเนี่ยมันก็สารพัดอย่าง โยมเองก็เคยเป็นทุกข์กันมาแล้ววิธีปฏิบัติในทางพุทธศาสนาก็เพื่อแก้ทุกข์คือทำอย่างไรจะไม่ให้มันเป็นทุกข์เมื่อความทุกข์มันเกิดขึ้นมาก็ตามหาว่ามันเกิดขึ้นมาจากอะไรเออมันเกิดจากตรงนั้นท่านก็ให้ทำลายเหตุตรงนั้นสัไม่ให้มันเกิดขึ้นมาเพราะเห็นทุกข์ซะก่อนจึงรู้จักว่าทุกข์มันเกิดจากอะไรก็ตามมันไปอีก จึงไปแก้ไขตรงนั้นว่ามันเกิดจากอันนั้นแล้วทำลายสิ่งที่มันเป็นเหตุทำให้เกิดไปเสด้วยการขจัดมันไปทุกสมุทัยแล้วก็ น, นิโรธคือความดับเช่นนั้นมันมีอยู่จะต้องหาข้อปฏิบัติคือมักเพื่อจะเดินทางไปดับทุกแก้ตรงนั้นมันจึงไม่เกิดทุกอย่างนี้พระพุทธศาสนาออกไปตรงนี้ไม่ออกไปที่ไหน มนุษย์เราทั้งหลายที่ยังตกค้างอยู่ในโลกนี้มากมายก่ายกอง น, นั้นมีเรื่องสงสัยวุ่นวายตลอดเวลาอันนี้มันไม่ใช่ของเล่นเล่นมันเป็นของยากของลําบากฉะนั้นจะต้องยอมสลัดทิ้งมันส่วนหนึ่งทิ้งร่างกายทิ้งตัวต้องตกลงถวายชีวิตอย่างเช่นพระที่ท่านมาบวชหรืออย่างพระพุทธองค์ท่านเป็นกษัตริย์ใช่ไหมคนเราพอเห็นท่านเป็นกษัตริย์ออกบวช ไม่สึกก็ว่าดีอยู่แต่ว่าท่านเป็นกษัตริย์ท่านก็ไปได้เพราะอะไรอะไรท่านก็ร่ำรวยมาหมดทุกอย่างแล้วท่านก็ไปได้ล่ะนี่คนเราไปว่าอย่างนั้นรู้ไหมว่าตัณหานะ่มันมีประมาณไหมได้ขนาดไหนมันถึงจะพอมีไหมมันมีไหมลองถามดูอย่างนี้ก็ได้มันไม่มีเพียงพอมันก็ยังอยากอยู่เรื่อยไปนั่นแหละ เมื่อมันทุกข์จนจะตายอยู่แล้วมันก็อยางๆคำว่าเพียงพอมันไม่มีทีนี้เมื่อมาพูดถึงธรรมะล้วนๆพูดถึงการปฏิบัตินั้นมันยิ่งลึกลงไปญาติโยมบางคนอาจจะฟังไม่ได้เช่นพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าท่านไม่มีการเกิดอีกแล้วในภพชาติ ท่านหมดเท่านี้เพราะว่าไม่ต้องเกิดอีกก็เป็นเหตุให้โยมไม่สบายใจแนละ้วถ้าพูดกันตรงไปตรงมานั้นพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนไม่ให้พวกเราไปเกิดนั่นแหละเพราะมันเป็นทุกข์ท่านวกไปวนมาแล้วก็มาพิจารณามองเห็นความเกิดนี่แหละเป็นสิ่งสําคัญเพราะความเกิดนี่แหละพาให้ทุกข์ทั้งหลายเกิดขึ้นมาคือเมื่อมีการเกิดปับ๊บก็มีตาปากจมูกมีสารพัดอย่างขึ้นมาพร้อมกันเลย แต่ว่าพวกเราก็ว่าตายไม่ได้ผุดเกิดนั้นฉิบหายเสีแล้วนี่พระพุทธองค์ท่านสอนมันลึกที่สุดมันเป็นอย่างนี้ทุกวันนี้เราทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะการเกิดมาเพราะฉะนั้นท่านจึงพยายามขจัดความเกิดแต่ไม่ใช่ว่าการเกิดคือร่างกายมันเกิดนะโยมหรือว่าการตายคือร่างกายที่มันตายนี่นะแบบนี้เด็กๆมันก็รู้จัก คนเราโดยมากจะรู้จักว่ามันตายตรงที่ร่างกายนี้ตายลมมันหมดแล้วนอนอยู่ส่วนคนตายที่หายใจอยู่ไม่ค่อยจะรู้กันคนตายที่พูดได้เดินได้วิ่งได้คนไม่รู้จักการเกิดก็เหมือนกันเมื่อไปคลอดที่โรงพยาบาลก็วันนั้นเกิดแล้วแต่ว่าจิตที่มันเกิดที่มันวุ่นวายอยู่นั่นนะมองไม่เห็นบางทีก็เกิดความรัก บางทีก็เกิดความเกลียดบางทีเกิดความไม่พอใจบางทีเกิดความพอใจบางทีเกิดความพอใจสารพัดอย่างล้วนแต่เรื่องเกิดทั้งนั้นแหละมันทุกข์เพราะอันนี้เองเมื่อตาไปเห็นรูปแล้วเกิดไม่ชอบใจก็ทุกข์แล้วหูฟังเสียงชอบใจนี่ก็ทุกข์มีแต่เรื่องทุกข์ทั้งนั้นฉะนั้นสิ่งทั้งปวงนี้ท่านสรุปว่ารวมแล้วนั้นมันมีแต่กองทุกข์ทุกข์เกิดขึ้นแล้วทุกข์มันก็ดับมีสองเรื่องเท่านั้น ทุกเกิดทุกดับทุกเกิดทุกดับเราก็ไปตะครุบมันตะครุบมันเกิดตะครุบมันดับตะครุบกันอยู่อย่างนี้มันไม่จบเรื่องสักทีพระท่านจึงให้พิจารณาว่ารูปนามขันมันเกิดแล้วมันก็ดับนอกจากนั้นแล้วก็ไม่มีอะไรถ้าพูดไปตามเป็นจริงแล้วสุขมันไม่มีเลยมีแต่ทุกข์ที่ดับไปนั้นก็ทุกข์ดับไปเฉยๆไม่ใช่สุขหรอก แต่เราไปหมายเอาตรงนั้นว่ามันสุขก็ทุกอันเก่านั่นแหละนี่มันละเอียดตรงนั้นสุขเกิดขึ้นมาก็ดีใจทุกเกิดขึ้นมาก็เสียใจถ้าความเกิดไม่มีความดับมันก็ไม่มีท่านจึงบอกว่าทุกขเกิดและทุกดับเท่านั้นนอกนั้นไม่มีแต่ว่าเราก็ไม่เห็นชัดว่ามันมีทุกอย่างเดียวเพราะว่าที่ทุกมันดับไปเราก็เห็นว่ามันเป็นสุขก็เลยตะครุบอยู่อย่างนั้นแต่ผู้ที่ซึ้งในธรรมะนั้นไม่ต้องรับอะไร มันสบายตามความเป็นจริงแล้วโลกที่เราอยู่เนี่ยไม่มีอะไรทำไมใครเลยไม่มีอะไรจะเป็นที่วิตกวิจาร์เลยไม่มีอะไรที่น่าร้องไห้หรือหัวเราะเพราะมันเป็นเรื่องอย่างนั้นธรรมดาธรรมดาแต่เราพูดธรรมดาได้แต่มองไม่เห็นธรรมดาแต่ถ้าเรารู้ธรรมะสม่ำเสมอแล้วไม่มีอะไรเป็นอะไรแล้ว มันเกิดมันดับของมันอยู่อย่างนั้นเราก็จะสงบสิ่งที่มนุษย์เราต้องการอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องให้มันสงบแต่ต้องการที่จะระงับทุกเพื่อให้มันเกิดสุขเมื่อมันมีสุขมีทุกอย่างนี้มันก็เรียกว่ามีพบมีชาติอยู่อย่างนั้นแต่ในความหมายของพระพุทธเจ้าแล้วให้ปฏิบัติจนมันเหนือสุขเหนือทุกขมันจึงจะสงบ แต่พวกเราคิดกันไม่ได้ตรงนี้ก็ว่าสุขนั่นแหละดีแล้วได้สุขเท่างนั้นก็พอแล้วฉะนั้นมนุษย์เราทั้งหลายจึงปรารถนาเอาแต่สิ่งที่มันได้มากมากได้มากมากนั่นแหละดีคิดกันอยู่แค่นี้เห็นว่ามันสุขแค่นั้นหรือเรียกว่าการทำดีแล้วได้ดีแล้วมันก็จบลงแค่นั้นต้องการแค่นั้นก็พอแล้วได้ดีมันจบลงตรงไหนเล่าดีแล้วก็ไม่ดี ไม่ดีแล้วก็ดีมันก็วนว ก, วกไปวนมาอยู่อย่างนั้นก็มีทุกอย่างนั้นตลอดวันอย่างขั้นพระพุทธองค์ท่านทรงสอนว่าหนึ่งให้ละความชั่วแล้วก็ให้ทำความดีตอนที่สองท่านสอนว่าความชั่วก็ต้องฆ่าทิ้งมันสักความดีก็ต้องทิ้งมันไปสะต้องสลละมันเหมือนกันคือไม่ต้องหมายมั่นมัน เพราะว่ามันเป็นเชื้อเพลิงอันหนึ่งมันมีเชื้ออยู่มันก็จะเป็นเชื้อเพลิงให้มันลุกขึ้นมาอีกความดีมันก็เป็นเชื้อความชั่วมันก็เป็นเชื้ออันนี้ถ้าพอถึงขั้นนี้มันก็ฆ่าคนซะแล้วคนเราก็คิดตามไม่ไหวซะแล้วดังนั้นท่านจึงยกเอาศีลธรรมมาสอนกันให้มีศิลธรรมอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันให้ทางานตามหน้าที่ของตนเองอย่าเบียดเบียนคนอื่น ท่านก็บอกให้ถึงขนาดนี้แค่นี้ก็ยังไม่หยุดกันแล้วอย่างที่เราได้สวดธรรมจักวันนี้ก็มีข้อที่ว่าการเกิดอีกไม่มีเป็นชาติที่สุดแล้วการเกิดของตถาคตไม่มีแล้วนี่ท่านพูดเอาสิ่งที่เราไม่ปรารถนากัน ถ้าเราฟังธรรมะมันก้าวไก่กันอยู่อย่างนี้เราจะให้สว่างกับธรรมะนั้นไม่มีเลยโยมอาตมาก็ปฏิบัติมาหลายเมืองหลายที่ร้อยคนพันคนจะมีใครที่ตั้งใจปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจริงๆไม่ค่อยจะมีนอกจากว่าพระกรรมฐานด้วยกันที่พูดถูกกันที่เห็นด้วยกันอย่างนั้นผู้ที่จะพ้นจากวัฏฏะสงสารจริงๆมีน้อย ยิ่งถ้าพูดถึงธรรมะอันละเอียดจริงๆแล้วโยมก็กลัวไม่กล้าขนาดพูดแค่ว่าอย่าไปทำความชั่วเท่านี้ก็ยังไม่ค่อยจะได้อาตมาได้เคยเทศให้โยมฟังแล้วว่าโยมจะดีใจก็ตามจะเสียใจก็ตามสุขก็ตามทุกข์ก็ตามร้องไห้ก็ตามร้องเพลงก็ตามอยู่ในโลกนี้ก็เหมือนอยู่ในกรงเท่านั้นแหละไม่พ้นไปจากกรง ถึงเราจะรวยก็อยู่ในกรงมันจะจนก็อยู่ในกรงมันจะร้องไห้ก็อยู่ในกรงมันจะรําวงก็รําวงอยู่ในกรงมันจะดูหนังก็ดูหนังอยู่ในกรงกรงอะไรล่ะกรงคือความเกิดกรงคือความแก่กรงคือความเจ็บกรงคือความตายเปรียบเหมือนอย่างนกเขาที่เลี้ยงเอาไว้ เอานกเขามาเลี้ยงไว้แล้วก็ฟังเสียงขันของมันแล้วก็ดีใจว่านกเขามันขันดีนกเขามันเสียงโตนกเขามันเสียงเล็กไม่ได้ไปถามนกเขามันเลยว่ามันสนุกหรือเปล่าเพราะเราเอาข้าวให้มันกินเอาน้ำให้มันกินทุกอย่างอยู่ในกรงทั้งหมดแล้วก็นึกว่านกเขามันจะพอใจเรานึกหรือเปล่าว่าถ้าหากเอาข้าวเอาน้าให้กินโดยให้เราไปขังอยู่ในกรงนั้น เราจะสบายใจไหมมันไม่ได้คิดอย่างนี้ก็นึกว่านกเขามันสบายแล้วน้ำมันก็ได้กินข้าวมันก็ได้กินมันจะไปทุกอย่างไรพอคิดแค่นี้ก็หยุดแล้วแต่ว่านกเขามันจะตายอยู่แล้วมันอยากจะบินไปมันอยากจะออกจากกรงไปแต่เจ้าของนกนั้นไม่รู้เรื่องก็ว่านกเขาของฉันมันขันดีนะกลางคืนมันก็ขันเวลาเดือนหงายมันก็ขัน ยังคุยโง่ไปโน่นิีกมันเหมือนกับเราขังกันอยู่ในโลกนี้แหละอันนั้นก็ของฉันอันนี้ก็ของฉันอันนั้นก็ของฉันสารพัดไม่รู้เรื่องของเจ้าของความเป็นจริงนั้นเราสะสมความทุกข์ไว้ในตัวของเรานั่นเองไม่อื่นไกลหรอกแต่เรามองไม่ถึงตัวเหมือนเราไม่มองถึงนกเขาเราเห็นว่ามันสบายกินน้ำได้กินอาหารก็ได้ตลอดเราก็เลยเห็นว่ามันสุข ถึงมันจะแสนสุขแสนสบายเท่าไหรก็ช่างเถอะเมื่อมันเกิดมาแล้วต่อไปมันก็ต้องแก่แก่แล้วก็ต้องเจ็บเจ็บก็ต้องตายนี่มันเป็นทุกข์อยู่อย่างนี้แต่เราก็มาปรารถนาอีกว่าชาติหน้าขอให้ฉันได้เกิดเป็นเทวดาเถิดมันก็หนักกว่าเก่าอีกแต่เราก็คิดว่ามันสบายตรงนั้นนี่คือความคิดของคนมันยิ่งหนักพระพุทธองค์ทรงสอนว่าทิ้งเราก็ว่าฉันทิ้งไม่ได้ ก็เลยยิ่งแบบยิ่งหนักไปเรื่อยคือความเกิดมันเป็นเหตุให้หนักแต่เรามองกันไม่เห็นถ้าว่าไม่เกิดเราก็ว่ามันบาปที่สุดแล้วคนตายไม่เกิดบาปที่สุดแล้วฉะนั้นเราจะทะลุโ ป, ปร่ปรงเรื่องธรรมะนี้มันจึงยากเรื่องที่สำคัญอันหนึ่งคือเราจะต้องมาภาวนามาพิจารณากันทุกๆคนทุกคนจึงจะพ้นทุกข์ได้ทั้งนั้นแหละ อย่างบ้านเราเนี่ยเราเรียกว่าเป็นเจ้าของพุทธศาสนาแต่เราก็ทิ้งหลักคำพุทธศาสนาที่แท้จริงกันได้แต่ถือกันมาเรื่อยเรื่อยแต่เรื่องจะมาภาวนากันนั้นนไม่ค่อยจะมีแม้ตลอดจนถึงพระภิกษุจะมาภาวนาเรื่องจิตใจของเราเป็นอย่างไรนั้นก็ไม่ค่อยจะมีเรียกว่าเราห่างไกลกันเหลือเกินห่างไกลาจากพุทธศาสนาและอีกอย่างหนึ่งคือพวกเรามักจะเข้าใจว่าบวช จึงจะปฏิบัติได้โยมผู้หญิงก็บอกว่าอยากเป็นผู้ชายเว้ยจะหนีไปบวชซะหรอกนี่ก็นึกว่าบวชนั้นจึงจะดีทำความดีได้แต่นักบวชให้ย้อนกลับไปถึงเราดีๆเถอะการทำความดีความชั่วมันอยู่กับตัวเราทั้งนั้นอย่าไปพูดถึงการบวชหรือการไม่บวชขอแต่ว่าเราสร้างความดีของเราเรื่อยไปนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ฉะนั้นเรื่องของศาสนานี้ก็คือเรื่องให้ปล่อยตัวออกจากกรงนั่นเองที่เรามาปฏิบัตินี้ก็เพื่อแก้ปัญหานี้ที่เรามาสมาทานศีลมาฟังธรรมก็เพื่อแก้ปัญหาอันนี้เรื่องแก้ปัญหาชีวิตของเรานี้เบื้องต้นพระพุทธองค์หรือนักปราชญ์ทั้งหลายท่านสอนว่าให้มีศีลธรรมให้รู้จักศีลธรรมเช่นเพชรเม็ดนี้ของใครนะฉันอยากได้แต่ฉันจะขโมยก็กลัวจะบาป นี่เท่านี้ก็พอแล้วเรียกว่าศีลธรรมถ้าเราเห็นอย่างนี้ก็จะเป็นคนไม่เห็นแก่ตัวอาตมาเคยพูดว่าพวกเราทั้งหลายในปีสองปีมานี้ชอบทำบุญสุนทานกันมากการคำนาคมก็สะดวกไปทศนาจรสแสวงบุญกันแต่มามองดูแล้วมันไปสแสวงบุญอย่างเดียวแต่มันไม่สแสวงหาการละบาปมันผิดคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่ว่าให้เราละบาปก่อนจึงบาเพ็ญบุญไปทำบุญไม่ละบาปมันก็ไม่หมดมันเป็นเชื้อโรคติดต่อกันอยู่ตลอดเวลามันจึงเดือดร้อนกันหัวใจพุทธศาสนาสอนว่าไม่ให้ทำความผิดแล้วก็ทำจิตให้เป็นกุศลแล้วก็จะเกิดปัญญาแต่ทุกวันนี้ทำบุญกันการละบาปนั้นไม่มีใครคิดเห็นความเป็นจริงนั้นก็ต้องละบาปก่อนจึงบาเพ็ญบุญ ถ้าบาปไม่ละจะเอาบุญไปอยู่ที่ไหนไม่มีที่จะอยู่รอกบุญนั้นฉะนั้นเราต้องกวาดเครื่องสกรปรกออกจากใจของเราเสียแล้วจึงจะทำความสะอาดเรื่องนี้พวกเราควรจะเอาไปคิดพิจารณาพวกเราทุกวันนี้เรียกว่ามันขาดการภาวนาขาดการพิจารณาจึงไม่ได้ข้อประพฤติปฏิบัติ เมื่อไม่เห็นชัดก็ไม่ได้ปฏิบัติมันจึงแก้ปัญหาไม่ได้มันจึงไม่มีใครถอยออกมาพิจารณาให้มันเห็นชัดตามหลักพุทธศาสนาเช่นว่าเจ้านายบางคนก็มากราบหลวงพ่อถามว่าบ้านเมืองมันจะเป็นอย่างไรนาะคงจะไม่เป็นอะไรมั้งครับมันมีอำนาจของพระพุทธอำนาจของพระธรรมอำนาจของพระสงฆ์มีอานาจของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาไม่มีอานาจอะไรเลย แม้ก้อนทองคำก็ไม่มีราคาถ้าเราไม่มารวมกันว่ามันเป็นโลหะที่ดีมีราคาทองคำมันก็จะถูกทิ้งเหมือนก้อนตะกั่วเท่านั้นแหละพระพุทธศาสนาตั้งไว้มีอยู่แต่ถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติจะไปมีอานาจอะไรเล่าอย่างธรรมะเรื่องขันติมีอยู่แต่เราไม่อดทนกันมันจะมีอำนาจอะไรไหมอำนาจหลักพระพุทธศาสนาก็คือ พวกเราที่เป็นเจ้าของพระพุทธศาสนานี่แหละช่วยกันบำรุงเช่นทำให้ศีลและธรรมให้เกิดขึ้นมาทำศีลและธรรมให้เกิดขึ้นมามีความสามัคคีกันมีความเมตตาอารีซึ่งกันและกันมันก็จะเกิดขึ้นมาเป็นกําลังของพุทธศาสนาไม่ใช่เพราพระพุทธศาสนามันมีอำนาจที่มีอำนาจก็เพราะเราเอาธรรมะนั้นมาปฏิบัติให้ถูกต้องมันจึงจะมีพลังเกิดขึ้นมา ช่วยแก้ปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างอย่างเช่นคนในสลานี้ตั้งใจจะรบกันแต่พอมาฟังธรรมะที่ว่าการอิจฉาหรือการพยาบาทมันไม่ดีเข้าใจทุกๆุกคนเท่านั้นก็เลิกกันอำนาจพุทธศาสนาก็เต็มเปี่ยมขึ้นมาเดียวนั้นแต่ถ้าพูดให้ฟังเท่าไรเท่าไรก็ไม่ยอมกันมันก็รบกันเท่านั้นแหละพุทธศาสนาจะมาอากันอะไรได้ นี่มันเป็นอย่างนี้